มิลินทถ้าปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทถ้าปัญหาเมนกะปัญหาปฐมวัชตถาคตศะสอุตริการณิยาภาวะปัญหาที่เก้าถามว่าคำก่อนว่าพระพุทธเจ้าได้ทํากิจทั้งปวงเสร็จสิ้นแล้วที่ควงไม้โพ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 โยมวิเคราะห์ดูเห็นว่าถ้าพระสัพพันธ์อยู่กระทํากิจทั้งปวงให้สําเร็จแล้วที่ควงไม้มาหาโพเป็นอันเสร็จสิ้นไม่มีกิจที่จะต้องทําและต้องอบรมยิ่งขึ้นไปอีกคําที่ว่าพระองค์เข้าฌานสิ้นไตรามาสสามเดือนก็จะผิดเป็นมิจฉาถ้าเชื่อว่าพระองค์เข้าฌานสิ้นไตรามาสสามเดือนคําที่ว่า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 สัพเพตถาคตาสมเด็จพระบรมโลกหา้าเจ้าแต่ก่อนทั้งหลายนั้นสัพพัญยุตังปัตตาครั้นได้สำเร็จแก่พระสันเพชรดาญาแล้วพระองค์มาทรงละลึกถึงคุณแห่งฌานนั้นว่ามีอุปการะเป็นอันมากนักหนาก็เข้าที่ชมฌานกเกษมสารแสนสุขทุกพระองค์ซืบซืบกันมามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษผู้มิ่งมงคลมหิสราธิบดีเหตุฉนี้สมเด็จพระชินท์สีสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระปรามาพิเศษสัมพูทิยานสาเร็จในควงไม้พระสีมหาโภปราศจากโทษทางอากุศลจึงเข้าชมชานอยู่ท่วนไตรมาสให้เหมือนกันคำอันนี้ไม่ผิดจะเปรียบให้มหาบาพิษฟังมหาราช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 สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าทั้งหลายสัพพัญยุตังปัตโตได้สำเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานแล้วระลึกถึงคูณนูปาการแห่งชานจึงซ่องเสพซึ่งชานไปอัตถวีสติขโข ค, คูณานิบพิทพระราชสมผานคุณแห่งชานนี้มีถึง28ประการสมเด็จพระอนาวรณญยานเจ้าทั้งหลายที่ได้ตรัสมา พระองค์หักประหารพลานกิเลสบรรลุแก่พระสันเพชชดาญานแล้วทรงพระอนุสรณาการเห็นพระคุณ28ประการแห่งชานั้นเสวันติพระองค์ก็เข้าฌานทรงเสวยสุขกเกษมสารอันว่าคุณ28สประการนั้นกะตมาเป็นดังรือเล่ามหาราชะขอถวายพระพร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 บรมบาพิจงเข้าพระทัยเถิดเทรูครั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนเมื่อพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาแก้ไขในคุณชาน28ประการจบลงแล้วจึงถวายพระผ่อว่ามหาราชะดูรานะบพิธพระราชสมภารตถาคตาพระตถาคตทศพลยานเจ้าทั้งหลายแต่การปางก่อนเสวันติ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 ด้วยภาวะมากแห่งคุณหาโทษไม่ได้ประการหนึ่งอวะเสสะอริยาุทธิตาเหตุภาวะจะได้เจริญขึ้นแห่งพระอริยมรรคเหลือลงประการหนึ่งสัพพุทธานังถูติงวันนิตุงประสัตถโตเหตุภาวะเป็นที่สรรเสริญแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงประการหนึ่งสีริเป็นเหตุสี่ประการด้วยกันนี่แหละบพิษพระราชสมภาร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 ตถาคตสะอุตริการณียาภาวะปัญหาเป็นคำรบก้าจบเพียงนี้